ทรงสอบถามแล้วตำหนิ433าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุชื่อว่าอัจสชิและปุรณาสุกะเป็นเจ้าถินเป็นภิกษุอรชีเลวซามอยู่ในกีตาเขรีชนบทประพฤติไม่เหมาะสมเห็นปานนี้คือปลูกไม้ดอกเองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้าง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 ทำดอกไม้แผงประดับอกเองบ้างใช้ผู้อื่นทําบ้างประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆแม้พวกชาวบ้านที่เคยศรัทธาเลื่อมใสแต่เดี๋ยวนี้ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสท่านที่เคยถวายประจําแก่สงบัดนี้ทายกทายิกาได้เลิกถวายแล้วภิกษุผู้มีศีลพา ก, กันจากไปภิกษุผู้เลวทามอยู่ครอบครองจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า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 นอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้างกับคุรัชตรีคุรัติดากุลกุมารีสภัยของตระกูลทัดหญิงในตระกูลภิกศุพวกนั้นฉันอาหารในเวลาวิการบ้างดื่มน้ำเมาบ้างทัดส่งดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไหล่บ้างฟ้อนรำบ้างขับร้องบ้างประโคมบ้างเต้นรำบ้างฟ้อนรำกับหญิงฟ้อนรำบ้างขับร้องกับหญิงฟ้อนรำบ้าง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 เล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้างแถวละสิบตาบ้างเล่นหมาก็บบ้างเล่นชิงนางบ้างเล่นหมากไหวบ้างเล่นโยนห่วงบ้างเล่นไม้หึงบ้างเล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆบ้างเล่นสกาบ้างเล่นเป่าใบไม้บ้างเล่นไถเนน้อยบ้างเล่นหกเขมรบ้างเล่นไม้กังหันบ้างเล่นตวงสายด้วยใบไม้บ้างเล่นอรรถน้อยบ้างเล่นธนูน้อยบ้างเล่นเขียนไทยบ้างเล่นทายใจบ้าง เล่นเรียนคนพิการบ้างหัดขี่ช้างบ้างหัดขี่ม้าบ้างหัดขี่รถบ้างหัดยิงธนูบ้างหัดเพลงอาวุธบ้างวิ่งผัดช้างบ้างวิ่งผัดม้าบ้างวิ่งผัดรถบ้างวิ่งขับกันบ้างวิ่งเปี้ยวบ้างผิวปากบ้างปรบมือบ้างปล้ำกันบ้างชกม o ยบ้างโปรราชผ้าสังขาติ่้มกลางเวทีเต้นรำและพูดกับหญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่าน้องหญิง เธอจงฟ้อรำในที่นี้ดังนี้แล้วให้การคำนับบ้างประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆบ้างภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไป